พระองค์ได้อนุ ญ, ญาตสิ่งจำเป็นสำหรับภิกษุไว้สีประการเรียกว่าปัจจัยสี่หรือที่ตรงกับคำอังกฤษว่าโฟลเลคุซิสคือพานุ่งห่มหรือจีวอนอาหารหรือบินทบาทที่อยู่อาศัยหรือเซนาสนะและยาแก้เจ็บไข้คือคีลานเพสัตเครื่องอาศัยทั้งสี่ประการนี้มีการซ้อมความเข้าใจกันตั้งแต่แรกบวชว่าเอาพออาศัยเป็นไป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 ก็แน่นอนว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้